ก่อนจากฉันไปก็อยากจะขอร้องเธอสักครัง้งคอยเดินจากไปช้าๆตรับที่เวลายังพอมีอยู่อยากจะเฝ้ามองดูภาพเธอจนในที่สุดท้ายคอยเดินจากไปด้วยดีอยากให้เธอโอคนีมีสุข อยากให้ทุกทกวันที่ดีมีเธอที่งดงามเมื่อเธอเดินจากฉันไปฉันเข้าใจ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 อยากใหอโชคดีมีสุดอยากให้ทุกทุกวันที่ดีมีเธอที่งดงานอยากให้ทุกทุกวันที่ดีมีเธอที่งดงาน